สิมาระตัชนญยสูตรว่าด้วยการคุกคามของมารเขาพระเจ้าได้จดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะยูนะเพชกะลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขขกรงุงสูงสุมาระคีระในแคว้นพักคะสมัยนั้นท่านพระมหาโมคลานะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้ ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท้องเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุทอเหลืองเต็มเพราะเหตุไรนอจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้มานาสิการโดยแยกคลายเฉพาะตนท่านพระมหมาโมคลานะได้เห็นมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้แล้วจึงเล่กล่าวกับมารใจบาปว่า มานท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมานใจบาปมีความดำริอย่างนี้ว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่ามานท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคต และสาวกของพระตถ า, าคตเลยการเบียดเบียนนั้นยาได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานแล้วจึงดําริว่าแม้สมณะที่เป็นาศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกจะรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวว่ามานเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้ ท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่รู้จากเราท่านเป็นมารท่านมีความดำริว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านสิ้นกาลนานแล้วจึงดาริว่า แม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกจักรู้จักเราได้ลำดับนั้นมานใจบาปมีความดําริว่าสมณะนี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่ามานท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานจึงออกจากป่าของท่านพระมหาโมคลานะแล้วยืนอยู่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นมารใจบาปยืนอยู่ข้างบานประตูแล้วจึงถามว่ามารเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่เห็นเราท่านนั้นยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูเรื่องเคยมีมาแล้ว เราเป็นมารชื่อทูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นบุตรของน้องสาวเราท่านเป็นหลานชายของเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงมีคู่พระอัครสาวกชื่อว่าวิทุระและสันชีวะ ในบรรดารสาวกของพระ ก, ะกุสัญธะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่มีอยู่ไม่มีสาวกองค์ใดที่จะเสมอด้วยท่านพระวิทุระในการแสดงธรรมด้วยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุระวิทุระส่วนท่านพระสัญชีวะอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทียินิโรธสมาบัต ด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้ว <salud> ท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้ว ท, ท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะ นั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วเอาละพวกเราช่วยกันเผาท่านเถิดครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาย่าไม้และมูลโคมากองสมกายท่านพระสัญชีวะจุดไฟเผาแล้วจากไป เมื่อราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านพระสัญชีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้าครองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณทบาทยังหมู่บ้านพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะเที่ยวบินทบาทแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ พระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้ด้วยเหตุนี้ท่านพระสัญชีวะจึงมีชื่อว่าสัญชีวะสัญชีวะมานครั้งนั้นทูสีมานมีความดำริว่าเราไม่รู้จักการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ทางที่ดีเราควรดนใจพวกพราหมณ์และขหะบดีว่ามาเถิด พวกท่านจงดา่าบริพาสเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านดา่าบริพาสเกลียวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทําให้ทูสีมานพึงได้โอกาสครั้งนั้นทูสีมานก็ดนใจพวกพราหมณ์และข้าหบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงดา่าบริพาสเกลียวกราด เบียดเบียนพวกภิสุผู้มีศีลมีกร a ยาณธรรมทำอย่างไรภิกสุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านดา่าบริภาทเกลียวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ถูสีมานพึงได้โอกาสพวกพรามและข้าดีถูกถูกสีมานดนใจแล้วก็ดา่าบริภาทเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิษุผู้มีศีลมีค l a ยา n ธรรมว่า พิสูพวกนี้เป็นสมณะหัวโลน้นเป็นข้าบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมพูดว่าพวกเราเจริญฌานพวกเราเจริญฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียดคร้านย่อมรำพึงซบเศรา้าเหงาหงอยเปรียบเหมือนนกเ้าแมวจ้องหาหนูที่กิ่งต้นไม้รำพึงซบเศรา้าเหงาหงอยอยู่ สุนัขจริงจอกจ้องหาปลาใกล้ฝั่งน้ำรำพึงซบเซาเงาหงอยอยู่แมวที่จ้องหาหนูที่รางน้ำท่อน้ำครัมและกองอยากเยือ่อรำพึงซบเซาเงาหงอยอยู่และลาที่ปลดต่างแล้วก็รำพึงซบเซาเงาหงอยอยู่แม้ฉันใดภิกษุพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสมณะหัวโล้นเป็นข้าพดีเป็นข้าง เป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรมพูดว่าพวกเราเจริญชาญพวกเราเจริญชาญเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียดคร้านย่อมรำพึงซบเศร้าเหงาหงอยมานสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตและนรกโดยมากมานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะ ผู้เป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพรามและขหะบดีถูกทูสีมานโดนใจชักชวนว่ามาเถิดพวกท่านจงดาบริภาศเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกะะัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านดาบริภาศเกลียวกราดเบียดเบียนอยู่ จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทาให้ทูสีมานพึงได้โอกาสภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูลเลาในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวร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 ภิกษุทั้งหลายผู้ที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่า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 ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มานครั้งนั้นทูสีมานมีความดำริว่าเราทำอยู่แม้ถึงอย่างนี้ก็มิได้รู้ถึงการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลยทางที่ดีเราควรชักชวนพรามและขหาบดีว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสั ก, กระเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทําให้ทูสีมานพึงได้โอกาสลําดับนั้นทูสีมานชักชวนพราหมณ์และข้าบดีเหล่านั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิด ทำอย่างไรพิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมานพึงได้โอกาสครั้งนั้นพรามและขหาบดีเหล่านั้นถูกทูสีมานชักชวนแล้วพากันสักระเคารพนับถือบูชาพิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมานสมัยนั้น มนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยมากมานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และขะหบดีถูกทูสีมานชักชวนว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักระเคารพนับถือ บูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านสักระเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูตสีมานพึงได้โอกาสภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาจงพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล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 มีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่มานครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่า ก, กัคขสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรมีท่านพระวิทุระเป็นปัจฉาสมณนะผู้ติดตาม เสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบินธบาตครั้งนั้นทูสีมานได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินคว้างที่ศีรษะของท่านพระวิทุระแตกท่านพระวิทุระมีศีรษะแตกเลือดไหลาอาบอยู่เดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากากุสันทะไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากากุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชำเลืองดูเหมือนช้างชำเลืองดูแล้วตรัสว่าทูศีมานนี้ไม่รู้จักประมาณเลยก็แลทูศีมานเคลื่อนแล้วจากที่นั้นได้ไปเกิดในมหานรกพร้อมกับพระกริยาที่ทรงชำเรเลืองดูมานมหานรกนั้นมีสามชื่อคือ 1. นึ่เพัสายตันิกะนรก 2. สังกุสมาหะตะนรกส จ, จัจตะเวทนิยะนรกครั้งนั้นพวกนายนิริยบาลเข้ามาหาเราผู้เป็นทูสีมานแล้วบอกว่าเมื่อใดเหลาเหล็กกับเหลาเหล็กมารวมกันที่กลางหาทัยของท่านเมื่อนั้นท่านจะพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วเรานั้นหมกไม้อยู่ในมหานรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี และหมกม่หมอยู่ในอุสธนรกซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้นสเสวยทุกเวทนาหนักกว่าก่อนอีกหนึ่งมื่นปีเหล่านั้นมีร่างกายเหมือนมนุษย์มีศีรษะเป็นปลา พสารนกักาทูศีมานประทุศร้ายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากากุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูศีมานพระทุศรายพระสาวกนามว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้ คือมีเหลาเหล็กร้อยเล่มล้วนก่อให้เกิดทุกขเวทนาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักนรกนั้นมารประทุสร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรตลอดกลับมีสีเหมือนแก้วไพยทูลมีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชดช่วงเป็นประพัสอน มีเหล่านางอับสอนมีผิวพันธ์ต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่พิสุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานั้นมารประทุษร้ายพิสุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักพิสุรูปใดผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วเมื่อพิสุสงเห็นอยู่ทำประสาสของมิคารมาตาให้ไว้ด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้า ภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมานประทุสร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดมีกําลังเข้มแข็งด้วยกําลังริษทำเวชยันตะปราสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าและทําเหล่าเทวดาให้สังเวชภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมานประทุสร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนัก พิสุรูปใดทูลสอบถามเท้าสักกะในเวชยันตปราสาทว่าท่านวาสวะท่านย่อมรู้ความน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาบ้างไหมเท้าสักกะถูกถามปัญหาแล้วจึงตอบแก่พิสุนั้นตามควรแ ก, ก่คะถาพิสุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารพระทศรายภิษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนัก ภิกษุรูปใดสอบถามพรมณที่ใกล้สุธรรมสภาว่าท่านเห็นทิฐิของท่านในวันนี้และทิฐิของท่านที่มีในวันก่อนท่านเห็นทิฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประพัสสอนในพรหมโลกบ้างหรือพรมตอบแก่ภิกษุนั้นตามลำดับโดยควรแก่คาถาว่าท่านผู้นิรุกข์ข้าพเจ้าไม่มีทิฐินั้นและทิฐิในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฐินั้นล่วงไปแล้ว และเห็นรัศมีเป็นประพัดสอนในพรหมโลกฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าเราเป็นผู้เที่ยงยั่างยืนได้อย่างไรภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุสร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดได้สัมผัสยอดภูเขาใหญ่ชื่อสิเนรุชมพูทวีปปุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีปและอุตรภุรุทวีปด้วยวิโมกภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมานประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักคนพานมาเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราเผาตนผู้เป็นคนผานเองมานท่านเบียดเบียนพระธรรคตแล้ว จะเผ า, าตัวเองดังคนผ่านที่ถูกไฟเผาฉะนั้นมานท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วต้องประสบบาปท่านเข้าใจหรือว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราผู้ที่สั่งสมบาปย่อมอดครวนตลอดกาลนานมานท่านเบื่อนายพระพุทธเจ้าอย่าหวังที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายพินาฏเลยภิกษุได้คุกคามมานในเพศกะลาวันด้วยประการละชนิด ลำดับนั้นมานั้นเสียใจได้อันตรธานไปจากที่นั้นดังนี้แลมาระตันียสูตรที่สิบจบจูละยมกกวัคที่ห้าจบ รวมพระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. สาเลยกะสูตร 2. เวรัญจกะสูตร 3. มหาเวท ล, ละสูตร 4. จูละเวท ล, ละสูตร 5. จูละธรรมสมาทานสูตร 6. มหาธรรมสมาทานสูตร 7. วีมังสกะสูตร 8. โสมพยสูตรเก้าพรห ม, มนิมันตะนิกะสูตรสิบมาระตันิยสูตรรวมวักที่มีในมูลปันนาดนี้คือ 1. มูลปริยายวัก 2. สองีหนาทวักสามโอปมมวักสี 4. มหายมกะวักห้า จูละยะมะกะวักมูละปันนาดจบ